กินไก่แล้วก็ไม่เคี้ยวเออไม่แทนแทนที่จะเคี้ยวแล้วกลืนก็ไม่กลืนนะคายออกมาใส่จานสุดท้ายแม่ก็ต้องเก็บกวาดนะต้องกินอาหารที่ลูกกลืนมาที่ลูกคายออกมาอันนี้เป็นความตั้งใจของเด็กนะที่อยากจะให้แม่ได้กินเนื้อบ้างเพราะว่าแม่นี่รักลูกมากเนื้อนี่ก็ให้